วันนี้นักเรียนที่มากับบางจากนะก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะมาได้เป็นมาที่สามหลวงพ่อไม่ค่อยได้มีเวล า, าทากิจกรรมกับนักเรียนเลยนะถ้าเป็นปีนก่อนก็จะได้ไปปลูกป่าด้วยนะแต่ปีนี้ก็เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยนะก็พวกเราก็ไปผู้หลงกันเอง แล้วก็คงจะได้เห็นนะว่าต้นไม้ที่เราปลูกปีที่แล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างถึงอย่างไรก็ตามนี่เพียงแค่การได้มาวัดนี่ก็น่าจะได้ประโยชน์นะให้ได้ฟังธรรมะหรือว่าให้ได้ติดหูติดตาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์นะหรือว่าธรรมะที่เราได้ยินได้ฟัง จำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรแต่ให้มันอยู่ในความทรงจำของเราไว้บ้างเผื่อว่าเมื่อโตขึ้นนะมีความทุกข์นะเจออุปสรรคนึกถึงบทสวดมนต์นึกถึงคำพระคำเทศก็อาจจะได้คิดทำให้มีกำลังใจทำให้มีจิตตั้งมั่นในความดีนะกล้า ต่อสู้กับอุปสรรคบ้างฟังเอาไว้นะฟังเอาไว้ดีๆนะให้มันอยู่ในหัวของเราให้มันอยู่ในใจของเราอย่าว่าแต่คนเลยนะแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยมันได้ยินเสียงธรรมะมันไม่รู้ความหมายนะแต่ว่าก็มีประโยชน์นะมีเรื่องเล่านะอันนี้เป็นเรื่องเล่าในคำพีเป็นเรื่องของขั้งข่าว มีข้างคาวอยู่ฟงหนึ่งห้าร้อยตัวมันก็เกาะ อ, อยู่แถวช่อ ง, ง้อนผาในถ้ำนะแล้วก็ช่ ง, ง้อนผาหรือถ้ำนั้นก็มีมีพระอยู่สองรูปนะท่านเป็นพระทุดงนอกจากท่านจะเจริญกรรมฐานแล้วท่านก็สวดอภิธรรมทุกวันท่านก็สวดนะสวดบทนะสวดมดนั่นแหละสวดมนทุกวันสวดมนทุกวันค้างคาว มันก็เกาะ อ, อยู่บนผนังถ้ามันได้ยินเสียงสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันนะก็ค่อยๆซึมซับเข้าไปมันไม่รู้ความหมายนะแต่ว่าเสียงสวดมนต์เนี่ยก็อยู่เข้าไปอยู่ในความทรงจาและตอนที่ครั้งเขาจะตายเนี่ยนะไอ้เสียงเหล่านี้มันก็ดังมันก็มาปรากฏอยู่ในความรับรู้ จิตใจก็เป็นกุศลนะพอใจเป็นกุศลก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจากเทวดาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังก็บวชนะมาเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรและเมื่อได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะอันนี้เรียกว่าเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะจากครังข่าวกลายเป็นเทวดาจากเทวดากลายเป็นพระอรหันต์นะ อันนี้ก็เพราะว่าเนี่ยได้ฟังธรรมะฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าธรรมะหรือบทสวดมนต์ที่พระท่านสวดนี่ท่านคงสวดด้วยจิตที่สงบนะจิตที่มีเมตตานะขังขามก็รับรู้ได้มันได้ฟังเสียงมันใจมัก็สงบไปด้วยและพอจะตายมันก็ผุดในเสียงเหล่านั้นความรู้สึกนั้นก็ผุดขึ้นมานะจิตสุดท้ายเป็นกุศล น, นะก็ไปเกิดเป็นเทวดานะ ครั้งคานี้ยไปเกิดเป็นเทวดาได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะก็อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นเรื่องของนกแขกเต่าวันหนึ่งก็มีคนนะมาเยี่ยมสํานักของพระเทรีพระเทรีก็คือพระที่เป็นผูผ้หญิงอะ่ะเรียกภิกษุณีแต่ว่าท่านมีพรรษามากเรียกเทรีก็เอานกแขกเต่ามาด้วยติดตัวมาด้วยแต่ว่าตอนกลับลืมทิ้งไว้นกแขกเต่านี่เขาเลี้ยงจนเชื่องเลยนะคือมัน ฟังภาษาคนได้นกแขกตามก็คงคล้ายกับนกแก้วนะมันพูดได้ด้วยนะเหมือนกับนกขุนทองพอทิ้งเอาไว้ที่สำนักของพระเทรีท่านก็หาเจ้าของไม่เจอละท่านก็เลยบอกว่าเอองั้นก็เลี้ยงไว้ก็แล้วกันเลี้ยงไว้แล้วเนี่ยไม่เลี้ยงเปล่าๆนะก็สอนให้มันพูดด้วยพระเทรีนี่ท่านจเจริญกรรมาฐานด้วยการพิจารณากระดูกนะ เรียกว่าการพิจารณากายขาตาสตคิคือการมองให้เห็นว่าร่างกายนี้มันก็ประกอบไปด้วยกระดูกนะตั้งแต่กระโหลกไปจนถึงปลายเท้านี่กระดูกทั้งนั้นท่านก็พิจารณาแบบนี้แล้วก็ท่านก็บริกรรมแบบนี้ด้วยแล้วท่านก็เลยสอนนกแขกเต้าใ ห, ให้ให้พูดคําว่ากระดูกกระดูกนกแขกเต้ามันก็ท่องเลยนะแล้วมันก็พูดได้กระดูกกระดูกกระดูก เวลาใครมามาสำนักถามว่าสวัสดีจ้นกแขกเต้ามันก็บอกกระดูกกระดูนะไม่ได้ตอบว่าสวัสดีครับนะมันบอกกระดูกรนะดูกระดูก่ะกระดูอย่างเดียวเลยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มันเผลอนะ่ะโดนเหยี่ยวเนี่ยโฉบไปเลยนะเหยี่ยวนี่โฉบนกแขกเต้าไปแต่ว่าพระเทรีนี่ก็เห็นนะก็พากันเอาอะไรคว้างเหยื่ยวนะเพื่อให้มันปล่อยนะ ปล่อยนกแขกเต้าเยี่ยวนี่ก็ปล่อยนะปล่อยนกแขกเต้าเป็นอิสระก็ปลอดภัยแล้วเมื่อนกแขกเต้านี่กลับมาถึงสำนักนก็พาเทรีก็ถามว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เยี่ยวมันข่าไปนี่มันโชบไปนี่กลัวไหมตกใจไหมนกแขกเต้าพูดได้นะมันพูดมารูปภาษาคน มันก็ตอบว่าไม่กลัวเลยเพราะว่าตอนที่ถูกโชวไปเนี่ยมันเห็นแต่กองกระดูกจับกองกระดูกนะเห็นแต่กองกระดูกนะจับกองกระดูกแล้วก็กองกระดูกนั้นไม่นานก็สลายไปเป็นธรมรมชาตนั่นเองอ๋อนี่นกแขกเต้านะมันพิจารณามันท่องกระดูกกระดูกไปจนถ้ามันเห็นเดี่ยวนี่เป็นกองกระดูกไปด้วยนะมันไม่ใช่เพียงแต่เห็นตัวมันเองเป็นกองกระดูกเท่านั้นนะมันก็เห็นนก เห็นเดี่ยวเป็นกองกระดูกเลยไม่กลัวไงนะกระดูกจับกระดูม ก, ก็ไม่มีอะไรนะสุดท้ายกระดูม ก, ก็แตกแตกสลายไปนงแขกตาวนี่เพียงแค่มันบริกรรมกระดูกกระดูกนี่มันเข้าใจความหมายแนละ้วแค่คำเดียวเท่านั้นนะนะพวกเรานี่นะนักเรียนหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะมนก็เมื่อได้ฟังธรรมะนะหรือได้ฟังคำสวดมนต์บางทีแปลแลาก็ยังไม่รู้เรื่องนะว่าโดยยอขันทั้งห้า ข้าตย่ออุปทานขันนั้งห้านะเป็นตัวทุกหรือว่ารูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนนะสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนฟังแล้วไม่เข้าใจหมายถึงอะไรนะแต่ไม่เข้าใจไม่ก็ไม่เป็นไรนะฟังเอาไว้นะสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะก็จะป๊้ออกมานะความรู้สึกที่สว่างว่าก็เกิดขึ้น หรือแม้แต่ความรู้สึกดีๆที่เราอยู่ในวัดนะก็จำเอาไว้นะเพราะว่าเวลาที่เราทุกข์เวลาเรากุ้มอกกุ้มใจไม่มีที่ไปเรานึกถึงวัดว่าเราเคยมาแล้วสงบใจเราก็อาจจะกลับมาที่วัดนะหรือว่าตั้งหลักตั้งสติพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ยังเป็นเจ้าชาสจิตทัตฐานเลิศเสด็จออกบวชเนี่ยเสร็จแล้วก็บาเพ็นทุ ก, กรกิริยาหกปีเต็มๆนะแล้วก็ในที่สุดพบ ว, ว่ามันไม่ใช่ทาง คนเรานี่ทุ่มเทแล้วสักอย่างเนี่ยหปีเต็มเนี่ยเอาชีวิตเขาแรกแล้วพบว่ามันไม่ใช่คำตอบนี่ต้องทอแทนนะพระอาจารย์เนี่ยคงจะทอแทนเหมือนกันว่าโหทำมาหปีแล้วไม่ได้ไเลยเลยศูนย์เปล่าเจ็บตัวเปล่านนะก็เหมือนกับว่าสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ท่านได้นึกถึงว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กเจ็ดขวบแล้วก็ได้มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ แล้วก็ได้พบกับความสงบมากตอนนั้นได้ได้ว่าเขาก็เล่าว่าท่านได้ได้ถึงฌานเลยนะท่านสงบจนทั้งจิตนี่ถึงขั้นฌานเลยระหว่างที่พ่อคือเจ้าชายอ่าเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะกาลังทำพิธีแรกนาขวัญ น, นะเจ้าชายสิทธัตถะวัยเจ็ดขวบก็มานั่งใต้ต้นไม้จิตสงบมากท่านจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้นะตอนนั้นทายุยบก้าวแล้วไม่ใช่สาสิบห้า ท่านจำเหตุการณ์ตอนอยุคเจ็ดขวบได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยสงบมากเลยสงบเพราะทําสมาธินะท่านก็เลยหันกลับมานะหันกลับมาบําเพ็ญสมาธิจกนกระทั่งพบทางสายการแล้วก็ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้านี่อันนี้เพราะว่าความทรงจำในในวัยเจ็ดขวบนี่นะช่วยทําให้ท่านรู้ให้ท่านทาให้ท่านคนพบผลทางแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นักเรียนกลับไปแล้วนี่ให้จดจํา เอาความรู้สึกดีๆเอาไว้นะแล้วก็จดจำคำสวนบนคำเทศเอาไว้ให้ติดหดูติดใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรแล้ววันข้างหน้ามันจะช่วยได้นะอะ่แล้วก็เตรียมรับพร